จเจริญสุขญาติโยมาสาธุชนได้มาฟังธรรมกันวันนี้แล้วก็ทัพบาก็จะได้นำพระธระรมคำสอนพู้เจ้ามาแสดงหน้าทีนี้ก็เคยมาครั้งที่สองครั้งนี้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 จิตก็มีเหมือนเดิมมีกิเลสเหมือนเดิมสมาธินั้นก็เล็กน้อยแล้วเกินแล้วอยู่ๆดีๆวันหลังก็หายซะอีกหาไม่เจอเลยทําไม่เกิดอีกหละเดี๋ยวปุบเดี๋ยวโพก็เรียกเสริมได้เกิดได้ <c oughs> แล้วก็หลายคนคิดว่าเราจะพัฒนาสมาธิอย่างนี้เนให้มันมากๆๆๆๆๆจนเป็นว่าความสงบนั้นเต็มร้อยเลยบริบูรณ์เป็นไปนไม่ได้นะเป็นไปนไม่ได้ คิดทุกคนก็เคยคิดอย่างนั้นแม้แต่มาเองก็เคยคิดว่าทำให้มากมากๆๆไปแล้วให้มันกบกืนพื้นที่ให้หมดเลยให้มันมันเหมือนกัความสงบเป็นไ ป, นปนไม่ได้เป็นไม่ได้ยังไงก็เพราะว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเราเข้าไปสมาธิมันมีคาว่าเข้าและออกเข้าไปปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราสงบจริง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 ก็คุณก็ต้องหามาหาเราสิไม่ใช่เราไปหาคุณมุงก็บอกว่าถ้าคุณจะให้ช่วยก็คุณก็เข้ามุงสิเราเป็นของอยู่กับที่คุณนะเป็นของเคลื่อนไหวฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะเห็นว่าอานาจของสมาธิเนี่ยมันอยู่กับที่เมื่อเราออกมา ก, ก็โดนอารมหลุมก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ออกไม่ได้เลยก็ใครจะไม่ออกในมุงเลยเลยใครจะไม่ออกห้องแอร์เลย เ, ลเวลาอื่นที่เราจะต้อง ไนี่มันเยอะกว่าไปเข้าตรงนั้นนะมันไม่มากหรอกฉะนั้นเราก็คิดว่าทำยังไงอ า, อาชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยโดยรวมเนี่ยเราอยากจะให้สงบไปทุกที่เหมือนกับว่าเย็นไปหมดเลยยุงก็ไม่มีทักที่เนี่ยต้องการให้ความสงบของเราในร้ยเร์นางันเถ อ, อะเนาะแต่สมาธิของเราเนี่ยห้าเรต์เองมันไม่เพียงพอซึ่งเทียบกับพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ พระลัหารท่านสงบร้อยเปอร์เซนแต่เราเนี่ยสงบอย่างนี้แล้วเราเองก็จะพัฒนาสมาธิของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเป็นอย่างนี้ของอย่างนั้นของพระัหารเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นไม่ได้ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ได้ละ่ะแล้วมีช่องทางอื่นไหมก็มีอยู่ว่า <c oughs> มีไม่ใช่ไม่มีน ะ, ะท่านท่านก็บอกว่าทางนี้มีอยู่แล้ว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 ขอเล่าหน่อยว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีตั้งแต่ถ้าใครอ่านพุทธประวัติเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่เป็นสุเมธาดาบดพุทธเจ้าเราเป็นสุเมธาดาบดเนี่ยเหาะมาบน ท, ท้องฟ้าซึ่งท่านมีอภิญญามากก็คืออภิญญาห้าซึ่งทําสมาธิสูงสุดถึงจะได้นะแบบนั้นอภิญญาแบบนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าเราเหาะอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเห็นพระเจ้าพุทธเจ้าที่ปังกรสมาธิพุทธเจ้านี่แล้ก็ลงมา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 ศินธารราชกุมารตอนที่เป็นราชกุมารก็ทําสมาธิใต้ต้นว่าได้ปฐมวชานจนเงาต้นว่านั้นไม่เคลื่อนคล้อยไปตามก็จังความอัศจรรย์ว่ า, าด้วยอนุภาพแต่ยังไงผู้เจ้าเราก็ยังเป็นราชกุมารอยู่ไม่เป็นสัพพะสา ม, มาสำมพูเจ้าเลยต่อมาผู้เจ้าเราออกผนวด รวบรวบให้ฟังว่าก็มาฝึกสมาธิกับอาลาละดาบทก็ได้ถึงโน่นกินจัญญาญาตนะโน่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระเจ้าก็ทำสมาธิถึงสูงสุดก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ก็เกือบจะสุดก็ความรู้อาจารย์ก็หมดต่อมาก็ถืออทุกดาบทก็เป็นสมาธิโน่นเนวสัญญาณสัญญายตนะ ซึ่งมนุษย์เท่าทำได้สูงสุดก็แค่นั้นพระเจ้าก็ได้สูงสุดแล้วแต่พระเจ้าก็บอกว่าทางที่ตัดสู้เป็นพระธรรมจัมปุชฌาย์ยังไม่ใช่ทางเส้นนี้ยังจะต้องมีทางอื่นอีกหลังจากนั้นพระเจ้าก็มาทรมานถุกลรกิจยาคือทรมานพระวรกายก็ยังไม่ใช่ทางอีกสุดท้ายก็มาเจอทางทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ดก็คือสติปัฏฐานสี่นี่อันเดียวกันนะ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 เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราไม่มีอารมณ์นั่นเองเราหวังว่าจิตไม่มีอารมณ์นั้นคือความสุขที่สุดของเราความสุขนั้นก็คือนิพพาน น, านิพพานก็คือความสุขที่จิตที่ปราศจากอารมณ์ทั้งสิน้นนั่นเองที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานะลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหมด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 รู้แจ้งขันหแล้วรู้แจ้งขันหเนี่ยเพื่อประโยชน์ก็คือว่าให้จิตกับโลกขาดกันอารมณ์มันขาดกันการปฏิบัติก็คือสติปัฏฐานสีั้นสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยการปฏิบัติไม่เหมือนการทำสมาธิที่เราทำมาเลยคนละอย่างกันการทำสมาธิของเรานน้นเอาจิตดูที่จิตแต่การเจริญสติปัฏฐานสิทธิ์สี่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 นึกถึงหน้าใครก็ได้นึกถึงสิ่งของบุคคลสิ่งของหรือบัตตนบุคคลอะไรก็แล้วแต่เรานึกได้แต่นึกตัวเองไม่ได้แสดงว่าการนึกไม่ได้สิ่งเดียวนั้นในโลกนี้เหมือนเส้นผมเส้นเดียวที่บงังภูเขาทั้งลูกทั้งมิดเหมือนว่าการไม่เห็นแจ้งตัวเองเองบดบังโลกนิมิดหมดเลยทำให้เราไม่รู้ความจริงอันเดียวกัน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 ให้เป็นตัวเราก็ได้ผมเส้นหนึ่งขนเส้นหนึ่งก็ได้นึ้แล้วก็นึกตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นนะให้อยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าอยู่ไหนไปรู้รูภาพ agar, ลอยๆอยู่ไม่ได้นะนึกตัวเราเนี่ยให้เห็นไม่ใช่ให้รู้นะมันมีรู้ก็เห็นรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราเราอยู่ในเ ย, นยื่อบทใดอันนั้นมีอันนั้นรู้นะแต่ให้เห็นรู้ไม่เอารู้ไม่เอารูให้เห็นลองดูดิว่าจะเห็นไหมเห็นนะรู้ไม่เอารู้ทุกคนมีอยู่แล้ว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 เขาไม่มีตัวเห็นฉะนั้นคนตาบอดเนี่ยเขามีธาตุรู้แต่ธาตุเห็นเขาไม่มีเพราะอะไรธาตุเห็นเขาตา เ, เขาไม่ดีตาบอดฉะนั้นทาไมคนตาดีทำไมไม่ค้ำไปนะก็ตาเขาเห็นดีเขามีเห็นเนี่เขาไม่มีแล้วรู้เขามีไหมรู้เขาก็มีเห็นเขาก็มีเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องค้ำไปเขาเดินไปก็สําเร็จประโยชน์แล้วเขาเอาเห็นนา แต่คนตาบอดเอารู้นําเพราะอะไรเพราะธรรมชาติเห็นเขาไม่มีฉะนั้นรู้สิบรู้ไม่เท่าตาเห็นทีนี้เรามีแต่รู้นะี่ยที น, นี้เราไม่เห็นเราก็เหมือนคนตาบอดบอดทางธรรมนะบอดทางธรรมเท่ า, ากับว่าเรามานั่งหลับตาแล้วนึกตัวเองเนี่ยไม่เห็นเลยแสดงมีแต่รู้ก็คือคนตาบอดทางธรรม เราเคยได้ยินไหมว่าคนบรรลุธรรมอย่างเช่น พ, พระอัญญากุฏัญญะเนี่ยฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมนะจะมีคำหนึ่งเลยว่าดวงตาเห็นธรรมจากคุ้งอุตปาธิเคยได้ยินไหมดวงตาเห็นธรรมอ้าวพระอัญญากุฏัญญะไม่มีดวงตาหรอือมีแต่ดวงตาเนื้อดวงตาในยังไม่เปิดไปเปิดที่อิสิปณนะพระลึคธายวันนั่นเองที่ปฐมเทศนานั่นเอง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 เมื่อก่อนในการก่อนที่เรายังไม่ไมยังไม่ตัดสรู้ยองเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าจงแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปข้างนอกก็คือกามัวิตกพยาบาดวิตกวิหิงสาวิตกก็คือคิดไปในกามคิดไปทางพยาบาดคิดไปทางเบียดเบียนฝ่ายนี้เป็นอากุศลเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเมืผู้อื่นบ้างทั้งตนและผู้อื่น ไปเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความไม่เป็นสมาธิเป็นไปเพื่อความไม่ตัดสู้และนิพานราะนั้นความคิดฝ่ายนี้ต้องปิดเสียเป็นอกุศลความคิดออกข้างนอกเนี่ยเป็นการมาวิโดกพยาบาทวิดกวิ่งสาวิโดกนี่ปิดเสีแล้วก็เปิดทางเส้นหมายขึ้นมาก็คือ ค, คิดมาข้างในคิดมาข้างในคิดถึงใคร คิดถึงนอกคิดถึงเขาคิดถึงตัวคิดข้างไหนก็คือคิดคิดก็คือคิดถึงเราคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่านั่นเองเขากับเราเลยเรื่องเรื่องนี้ก็คือมีคู่กรณีว่าคิดถึงเขาแล้วคิดถึงเราทต่ที่เขาในคิดมานานแล้วไงเป็นอาคูสนแล้วเราก็บ่น่าคิดแล้วเกินไม่ยอมหยุดก็ปิดทางเส่นนั้นซะต่อไปนี้ก็คือคิดถึงเราเราในที่นี้คืออะไรก็หัวถึงเท้านั่นเอง ก็คือผมควรเล็บฝันหนังกรนุกเลือเส้นเด่นต่างๆในตัวเราทีนี้เราคิดไปเนี่ยเอาละถ้าคนนั้นจะทําความเพียรนนะัก็คือหนึ่งปิดเขาก่อนปิดเลยว่าต่อ น, นี้ไปเราบอกโดยว่าไม่ให้กิดเราคิดถึงไข่ถ้าคิดเราจะตัดซะดึงกลับซะถึงแม้เราเจตนาว่าจะตั้งว่าไม่ให้คิดถึงไข่แต่มันก็แอบไปเลยนะแต่เราก็ทำยังไงก็คอยตัดอยู่เลยนั่นเอง คิดไปเราก็ตัดแล้วก็น้อมจิตมาคิดถึงตัวเองอันนี้มันมีปัญหาว่าตัวเองเขายังไม่เห็นตัวเองเลยก็จะคิดยังไงดีมีแง่มุมอะไรที่จะให้คิดพุทธเจ้าก็บอกว่าเคยเห็นคนอื่นไหมคนอื่นตายนะ่ะเป็นยังไงหรือสระสริละมนุษย์ของเรานะตับไตเส้ยพุงอาการ3 2มที่เราไปเห็นโรงพยาบาลก็ดีเห็นในต่างที่ต่างๆก็ดีในอุบัติเหตุในศพคนตายของคนชนอะไรก็แล้วแต่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 ในบรรดาบรรดาสัญญาทั้งหมดเนี่ยอันนี้จัสัญญาเป็นเลิศก็คือความไม่เที่ยงฉั้นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นหัวใจของการพิจนนารณาเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราสมมุติว่าเราไปเห็นคนอื่นตายในหนังสือก็ดีในหนังสือลงตากายคตาสติก็ดีหรือในหนังสือจะมามาวันนี้ก็ดีว่าจะแจกนะจําภาพไว้นึกถึงภาพเห็นภาพเนี้ยก็จําไว้แล้วก็ สมมติตัวเอง เ, เป็นเหมือนภาพนั้นอย่าเอาภาพนั้นมาทั้งหมดไม่ได้นะสมมติว่าเราไปเห็นนังภาพในหนังสือเนี่ยภาพช้าแหลก อ, อกช้าแหลกท้องแล้วเราก็จาภาพนั้นก็มาเปิดแล้วก็หลั บ, ห ล, บหลับตากระนึกถึงภาพนั้นลอยอยู่เนี่ยมันก็เป็นภาพเขาอยู่ดีไม่ใช่ภาพเราทีนี้จุดประสงค์ของเราก็คืออยากจะเห็นภาพเราแต่มันไม่เห็น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 น้อมเอยียงไปทางไม่เบียดเบียนจิตนี้จะเป็นฝ่ายกุศลทําไปนําไปบางถึงบางคนถึงร้องไห้ออกมาว่าโอ้เราไม่มีอะไรสาลดสังเวชร้องไห้เลยนะนมาเชื่อเลิกเกิดว่าทุกคนต้องร้องไห้เพราะไม่เคยเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วก็สติปัญญาและสมาธิก็จะก่อดวมากขึ้นมากขึ้นสมาธิเกิดขึ้นเองแต่มันคนละสมาธิอย่างที่เราทํากันอันนั้นเขาเรียกฌานแต่อันนี้เขาเรียกว่าญาณ สมาธิยาเนี่ยไม่มีใครรู้เกิดจากสติปัฏฐานสี่ทำไ ป, ท, ำไปทาไปทั้งอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันคืนโดยที่คนครอบข้างเราไม่รู้เราทําอะไรก็เห็นก็เห็นมันเดินมันนั่งอยู่ธรรมดานี่แต่เมื่อก่อนเราก็แบบนี้แหละแต่เราเอาจิตไปอื่นไงแต่ตอนนี้เราก็อย่างนี้แหละแต่จิตอยู่ในตัวเองเท่านั้นเองคนภายนอกจะไม่รู้อ า, าการอะไรเลยของเราฉะนั้นโชคดีที่ว่าทําไปเหมือนไม่ทําเหมือนไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรแต่เมื่อก่อนนะทำไปแบบนี้แหละแต่จิตไปคิดคนอื่น เปลี่ยนที่จิตแต่ไม่เปลี่ยนที่อากับกิริยาของกายเลยเท่านั้นเองอย่างนี้เขาเรียกสติปัญนนสีแต่ให้ทาต่อเนื่องเป็นวันเป็นคืนทะลุวันทะลุคืนหลับก็ทําตื่นก็ทําหลับก็เหมือนกัตัวเองตายอยู่ในลงไปด้วยอุบายอย่างนี้นานก็้านานเข้าเ ต, ตจิตเราถูกอบรมอยู่นี้มากเข้าหม่มากเข้าไปมากเข้าไปมากเข้าไ ป, าาไปที่ไม่เห็นตัวเองเลยก็เริ่มเห็นขึ้นมาทีละนิดนิดด้วยอุบายระนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น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 ไม่ได้ไปไหนจิตเลิกลากระโลกปากราก็ว่าจิตกระโลกก็ขาดกันว่าต่างคนต่างไปนะข้าก็ไม่ไปหาเจ้าแล้วนะเจ้าจะไปไหนก็ช่างเถิดจิตเราก็เป็นอันว่าล่ําลาล่ําลาโลกก็หมายถึงล่ําลาตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตสงบระงับอย่างนี้ก็คือจิตหลุดโลกหลุดจากอารมณ์เราไม่จะเป็นต้องนั่งสมาธิหรือไม่นั่งก็ได้จิตลั่วไม่มี จิตเพอไม่มีหลังจากนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พิจารณาลางกายไปถึงพระอนาคา ม, มีแล้วเนี่ยท่านก็ให้สอนว่าต่อไปนี้เนี่ยพิจารณากายจบแล้วนะละราคะได้โทสะได้ก็คือพระอนาคามีจิตไม่มีรั่วแล้วนะต่อไปเธอจะทําฌานก็ทําฉะนั้นหลังจากนั้นก็พุทธเจ้าก็สอนให้ทําฌานว่าพิสุสงัดจจากามแล้วสกัดจากอกุศลแล้วยังปฐมฌานให้เกิดทุติตติจะถูกฌาน จนถึงอะลู ป, ประชานก็ได้หลังจากนั้นทําฌานให้ชั่มนิ้ชํานา้นก็น้อมจิตไปทางวิชาศาสตร์ก็คือระลึกชาติได้มากมายเหมือนเราขึ้นบ้านหลังน้นลงบ้านหลังนี้ขึ้นบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้ตลอดไม่รู้กี่กี่พบกี่ชาติเขาเรียกเห็นด้วยทิปจักขูต่อมาก็เห็นคนอื่นด้วยเกิดตายอย่างไรก็เรียกว่าจัตูปัจจา หลังจากนั้นเห็นแต่ตัวเองกับผู้อื่นก็ในลักษณะเดียวกันว่าจิตที่ท่องเที่ยวนี่เองทําให้เกิดเป็นภพชาติเพราะมีวิญญาณเหล่านี้มีอยู่ก็เบื่อหน่ายไปหมดเลยก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิ ช, ชาสามหลังจากได้วิ ช, ชาสามได้เนี่ยของแถมเขาเรียกว่าคุนณณพิเศษก็คืออภิญยาหกวิโมกขแปดปฏิสัมพิทาสีก็ตามมาอันนี้สมบูรณ์เลยก็ผือพระรหัตเต็มร้อยอันนี้เส้นทางเส้นทางของการไป ไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ไปอย่างนี้แต่พระอิญเวลามันน้อยไปหน่อยเนาะบีบข้อขวาไม่แคบดงเอาเดือนไหนเนี่ยเดือนโน้นกับเดือนนี้เนี่ยนาฬิกานะเท่ากันไหมเท่ากันไว้อันนี้ตีก่อนเนะาะตีก่อนถ้าว่าไม่ได้ไม่เห็นเข้าใจไหมนาฬิกาเจ้าโมงเดียว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 เห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวั น, นแต่ความเห็นนี้ไม่เคยดับเลยนะไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วินาทีเดียวมันเป็นสกิลพยานให้เราเห็นว่าเรามีแค่นี้จะเอาอะไรจิตก็เลยจำนวนว่าข้างนั้นก็จำนวนต่อเหตุผลข้าไม่เอาอะไรละนี่คือทางพระยะเจ้านะแต่เราทํามันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะอ้าววันนี้นั่งสมาธิดะฉวดบนทําวัดเสร็จเอ้ามานั่งไล่จับลิงกันนะ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 แล้วทําไมไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีคนสอนน่ะใช่ไหมโยมเคยได้ยินใครสอนไหมเมื่งหละพระสอนก็ก็ต่างคนก็ต่างมีคือตระมาก็ไม่รู้หน้าตระมาก็สอนแบบตระมาแต่พระอื่นก็ท่านก็สอนแบบภูมทิทําภูมิรู้ของท่านสอนอยังไงท่านรู้อย่างไรท่านก็สอนแต่ตระมาก็สอนแบบนี้มันก็เลยอยู่ที่ว่าคนรู้คนสอนเนี่ยจะใช้เทคนิคยังไงให้คนฟังได้เข้าใจ มันอยู่ตรงนี้ตัวแปรสําคัญก็คือคนสอนบุคลากรคนสอนเนี่ยจะต้องพร้อมสับอันนี้เราก็ไปกะเกณฑใครไม่ได้นะว่าจะสอนยังไงยังไงถ้าสอนโยงก็ไปได้อันนี้ไม่มีใครสอนเนี่ยหรือสอนไม่สอนอะไรก็ไม่รู้ไปไหนเลยเนี่ยมันก็ไป เ, ยเลยอะก็สําคัญอยู่ที่คนสอนนะก็ยังไม่โทษคนฟังหรอกว่าคนสอนเนี่ยหายากหายาก เอินหมดเนาะเวลาก็หมดซะแล้วอ่ามีอะไรสงสัยไหมเล็กน้อยอวาจริงเราพูดเรื่องนี้เนี่ยย่องยาวเคยใครก็ไปสังฆทานบ้างละ่ตะตมาเทศตีสามสี่ห้าชั่วโมงนั่นนี่ตีตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสามครึ่งแต่ก็ดึกเหลือเกินนะมันยาวยาวก็ได้ละเอียดก็ ย่อก็ต้องย่อสั้นก็ต้องย่อสรุปแล้วก็คือจิตของเราเนี้ยทำได้นะสงบถาวรได้เลยดะนั้นการสงบถาวรเนี้ยคนนั้นไม่เหมือนคนในโลกคนนั้นก็คือคนเหนือโลกนั่นเองก็คือพระยะเจ้านั่นเองพระยาเจ้าคนเหนือโลกนะเขาเรียกว่าโลกุตตะละก็คือผู้เหนือโลกนั่นเองทที่เหนือเหนือโลกก็คือโลกุตตะละทำแต่เรานี้เป็นโลกิยะทำก็คือทำไปตามโลก ฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถจะฝึกได้ให้เห็นแจ้งขันห้าประการเดียวจบเลยทุกอย่างจบถ้าตาบใดเราไม่เห็นขันห้าก็ย่อไปแล้วก็คือตัวเราเองนี่เองถ้าใครเขาพูดยังไงว่าถ้าใครทำกรรมฐานไม่เห็นตัวเองไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้จิตนี้จะหยุดหยุดก็ได้จะแป๊บๆเก็ไปอยู่แล้วถ้าเห็นแจ้งตัวเองหยุดแน่ไม่มีไปแน่นอน